ปัหาเราจะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาของพวกเราก็คือความไม่สบายใจความไม่สบายใจมันก็เกิดจากหลายสายเหตุพระพุจธเจ้ตรัสว่ามันก็เกิดจากความอยากต่างๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นขอทานมันก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะการเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือการเป็นขอทานก็ไม่สามารถที่จะไปกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้กาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องก็ต้องหยุดความอยากต้องรู้ว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเอง แล้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากเะความอยากก็เหมือนกับออรถที่วิ่งรถที่วิ่งอยู่ถ้าอยากจะหยุดรถก็ต้องมีเบรคถ้าไม่มีเบรคมันก็หยุดไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สบายใจเพราะความอยากแต่เราก็อยากมันก็หยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะ ต่อซู่ความอย่างพระพุธเจ้าจึงทรงมอบอเครื่องมือให้กับพวกเราต่านให้ตั้งแต่ขั้นอนุบาลไปเลย <c oughs> ขั้นทานคือการให้ขั้นศีลคือการรักษากายวาจาไม่ให้ทำอะไรที่เกิดความเสียหายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วก็ขั้นภาวนาขั้นภาวนานี้เป็นขั้นสูง ก่อนที่จะไปถึงขั้นภาวนาได้ต้องมีขั้นศีลเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วก็ต้องมีทานเป็นเครื่องสนับสนุนขั้นศีลทีคนถ้ายังไม่ใจบุญยังอยากยังมีความโลภอยากได้มากๆก็จะรักษาศีลยากแต่ถ้าเป็นคนใจบุญชอบให้ชอบช่วยเหลือผู้ก็จะ รักษาศีลง่ายรักษาศีลได้ใจก็จะสงบไม่วุ่นวายก็จะสามารถภาวนาได้โดยเฉพาะการภาวนานี้จะให้ได้ผลก็ต้องไปอยู่ที่เกลี่ยวที่สงบผู้ที่ไม่มีศีลก็จะไม่กล้าไปใจจะหวาดระแวงหวาดกลัวกลับภัยต่าง เพราะเคยไปสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้นั่นเองเป็นผู้ที่จะภาวนาจึงต้องรักษาสีหห้าพอสุ์สีห้าก็เป็นเป็นพื้นฐานแต่ถ้าจะภานาก็ต้องมีสีเป็นสีแปดเพราะสีแปดนี้จะช่วยตัดกำลังของกามตัณหาคือกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกิร ถ้าถึงศีลแปดได้ก็จะไปอยู่ที่สงบวิเวกได้เพราะว่าที่สงบวิเวกนี้จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแสงสีเสียงที่เราเคยอาศัยให้ความสุขกับเราถ้าถ้าไม่มีกำลังของศีลคือศีลแปนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะหิวจะอยาก กับรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ, ๆเช่นรับประทานอาหารเมื่อเดียวก็จะรู้สึกว่าทรมานยากไม่มีแสงสีเสียงให้ได้ดูได้เห็นได้เสพได้สัมผัส <ๆ S 1> ก็จะรู้สึกหงุดหงิด น, นำคาญใจเศร้าซ้อยงอยเหงาว่าเวแต่ถ้ารักษาสีแปลกได้ข่มใจได้ ก็จะทําให้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้เบาบางลงไปแต่ก็ไม่หมดจะต้องภาวนาด้วยถึงจะทําให้อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดจากการไปอยู่วิเวกอยู่ตามลำพังนี้หายไปก็คือภาวนาขั้นต้นเรียกว่าสมาถะต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ ต้องควบคุมจิตไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้คิดร้่ยเปื่อยให้จิตว่างให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้อยู่กับการทำงานของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้ดูไปให้อยู่กับการทำงานอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆไม่ให้คิดเรื่องคนงนั่นคนนี้ เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้คิดให้รู้อยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังดื่นน้ำกำลังทำอะไรก็ตามให้ใจจดจ่ออยู่กับการทำงานของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติควบคุมความคิด ถ้าใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาพอเวลาที่มีเวลาว่างไม่ต้องทําทําอะไรต่างๆก็ควรจะนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นดูแต่ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาไม่นาน5นาที10นาทีใจก็จะสงบการสงบก็มี สองลักษณะสงบแบบพวดพลาดลงไปถึงฐานเลยหรือ ว, ว่าสงบแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเปลี่ยนเกียร์รถมันค่อยๆสงบไปทีละขั้นทีละขั้นไ ป, ไปสงบแบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปคาดอย่าไปกำหนดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เพราะการภาวนาแต่ละครั้งนี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ ไม่เหมือนกันบางครั้งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มันรวมลงไปถึงฐานเลยบางทีก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็ได้ทั้งสองอย่างก็คือได้ความสงบเวลาใจสงบก็จะมีความเบา อ, อกเบาใจมีความเย็นสบายมีความสุขมีความอิ่ม ไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวกับเรื่องราวต่างๆก็ให้ทำอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆก่อนให้ให้นั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้จนกว่าจะนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอินยาบท ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาทําอะไรไปออกมาเดินออกมาเจริญสติต่อถ้าจําเป็นจะต้องทํางานอะไรก็ทําไปทําเท่าที่จําเป็นงานภายนอกอย่าทํามากเกินเกินไปไมอยู่กับหลวงตานี้ท่านค่อยเตือนค่อยสอนอยู่ด้วยว่าอย่าทํางานอย่างอื่นนอกจากงานภาวนางานภาวนานี้เป็นงานที่สําคัญที่สุด งานหรือภพชาติก็คืองานภาวนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของงานกรรมแปลว่ากรรมแปลว่างานฐานแป่ว่าที่ตั้งกรรมฐานก็คืออนาปนาสตินี้ที่ตั้งของงานนิกายตตาสติการจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือ พุทธามนุสติก็คือการการการบริการพุทโธกรรมฐานนี่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันที่ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ได้ตามเจริตของตนเหมือนกับเป็นรายการอาหารเวลาที่เราไปร้านอาหารเขาก็มีรายการอาหารมาให้เราเลือกดู ว่าอยากไปกินอาหารชนิดไหนก็เลือกเอาเรานักภาวนาแต่ละคนก็มีจริตมีความชอบไม่เหมือนกันอาจจะเคยทำมาในอดีตไม่เหมือนกันก็เลยต้องใช้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตของตนเหมาะกั บ, พบภพภูมิจิตของตนแต่ละคนอาจจะได้พัฒนามามากน้อยไม่เท่ากันบางท่านก็ ชอบเจริญมนานสติพิจารณาดูสากศพบางท่านก็ชอบดูอสุภะดูดูปฏิกูลก็พิจารณาดูอาการต่างๆของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเป็นเกี่ยวกับร่างกายนี้ก็เป็นทั้งสติเพื่อเพื่อความสงบและ สติเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าดูลมถ้าถ้าถ้าพิจารณาบริกรรมพุโทโธอันนี้ก็จะเป็นเพื่อสมถะเดี๋ยวเป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าเป็นเรื่องวรนุสติเรื่องอสุภะเรื่องอาการสาสองนี่มันมันเป็นอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนา ก็ใช้ได้แล้วแต่จะทําอย่าไปยึดติด ก, กับรูปแบบของคนอื่นคนอื่นเขาสอนแบบแนวทางของเขาแต่อาจจะไม่เหมาะกับเราเราก็ต้องพิจารณาดูว่าอันไหนเหมาะกับเราเราก็ใช้อันนั้นไปข้อสาคัญก็ขอให้จิตมันรวมให้ได้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุนเบกขาว่างไม่มี ไม่มีนิมิตไม่มีอะไรต่างๆปรากฏถ้าปรากฏมีนิมิตไม่ต้องอยากไปสนใจในเบื้องต้นนิมิตนี้เป็นเหมือนมีดหรืเป็นเหมือนงูหลวงตาท่านสอนในปัญญาอบรมสมาธิท่านบอกว่านิมิตนี้มันเป็นเหมือนงูพิษคนที่จักงูพิษมารีดเอาพิษมาทายาก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้แต่คนที่จักงูไม่เป็นก็จะโดนมันกัดตายได้ นัภาวานาเบื้องต้นจึงไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเรื่องนิมิตเพราะว่ายัางไม่มีความสามารถที่จะทําประโยชน์จากนิมิตต่างๆได้จะถูกจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปและจะทําให้หลงทางเสียเวลาภาวานาไม่เกิดมากผลได้ก็แค่ได้แค่นิมิตได้แค่สมาธิแต่จะไม่ได้อริยมรรคอริยผล ไม่ได้โซดาปฏิมกักโซดาปฏิผมสกิดาคามีมกักสกิดาคามีผลอานาคามีมกักอานาคามีผลอาหารหัตมักอาหารหัตต์ผลไม่ได้พระนิพพานได้เพียงโลงกียวิชิชาที่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสปัญหาเช่นพระเทวทัตนี้ก็ได้สมาธิได้ในอิทธิฤทธ แต่ไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้พิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ก็เลยหลงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเกิด k a r m เกิดวิภวตเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาอยากเป็นใหญ่เป็นโต พอพระพุทธเจ้าส่งปฏิเสธก็เกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาจองเวรจองกรรมพยายามป่งพชนถึงสามครั้งก็ไม่สามารถทำได้แล้วนายที่สุดก็ต้องใช้เวรใช้กรรมถึงคนไปแทนที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ก็ต้องไปตกนรกอเวจีก่อนแล้วค่อยกลับออกมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จึงจะได้ไป ตัดเฉลเป็นพระปเจกพรพุทธเจ้าต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการหลงทางหลงไปยึดติดกับนิมิตต่างๆหรืออิทธิฤทธิต่างๆเลยไม่ได้ภาวนาเพื่อทําใจให้สงบนิ่งให้เป็นอุบเบกขาให้มีความสุขความสุขของสมาธินี่แหละจะเป็นความสุขที่จะทําให้เราปล่อยวางความสุขชนิดอื่นๆได้ ปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายได้อยู่แบบอขอทานได้เช่นพระพุทธเจ้าก็เคยอยู่ในวังแต่พระองค์มีสมาธิจิตสงบพระองค์จึงไม่เสียดายกับพระราชทรัพย์ไม่เสียดายกับพระราชฐานะในการเป็นพระราชโอร so, สทรงเสด็จออกจากวังได้อย่างง่ายได้ และก็สามารถที่จะปฏิบัติจนตัดสุลูเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะไม่ทรงไปหลงกับอิทธิลิสหรือนิมิตต่างๆทรงรู้ว่ามันไม่ได้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ทรงมุ่งไปที่การเจริญวิปัสสนาภาวนาจนได้เห็นพระอริยาาสัจสี เห็นตายรักเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นว่าความทุกข์ก็เกิดจากความอยากนี้เองเกิดจากความอยากต่างาและเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ก็คือสติสมาธิปัญญาปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิที่สงบที่นิ่งที่ว่างที่เป็นอุเบกขา ไม่เช่นนั้นเวลาออกจากสมาธิมาจะไม่มีกำลังไม่มีกําลังอุเบกขาถ้าอยู่ในสมาธิที่มีนิมิตมีฤทธิต์ตรงนี้จะไม่มีอุเบกขาออกมาแล้วก็จะถูกกิเลสสั่งการให้เอาไปใช้ตามอานาจของกิเลสของตนแต่ถ้าเป็นสมาธิที่ว่างที่สงบ เป็นอู่ใบขาเวลาออกมาก็ยังจะว่างยังจะสงบอยู่ระยะหนึ่งคือมันก็จะค่อยๆจางไปเหมือนกับน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราเอาออกมาดื่มมันก็ยังเย็นอยู่ใหม่ๆแต่ถ้าทิ้งไว้ชักระยะหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายเย็นไปตอนนั้นเราก็ถ้าอยากจะดื่มน้ำเย็นเราก็ต้องเอากลับเข้าไปแช่ในตู้เย็นต่อ การออกมาจากสมาธิใหม่ๆ ใ, ใจก็จะเย็นสงบว่างเป็นอุเบกขาสามารถพิจารณาปัญญาได้ไม่มีอารมณ์มารบกวนก่อกวนกิเลสจะไม่มีกำลังตพิจารณาอาสุภะก็พิจารณาได้พิจารณาความตายก็พิจารณาได้พิจนารณาอนิจจังความไม่เที่ยงก็พิจารณาได้เกิดแก่เจ็บตายดินน้าลมไฟ อาการ32พิจารณาได้จะก็จะได้ในระดับหนึ่งในในระยะหนึ่งพ อ, อถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็หมายความว่ากําลังของสมาธิหรืออุเบกขานี้มันหมดแล้วกิเลสเริ่มออกมาก่อกวนเริ่มหลอกให้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วตอนนั้นเราก็หยุดคิดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ ก็ไปทําจิตให้สงบให้เย็นให้เป็นอุเบกขาหลยแล้วพอพอสงบดีพักได้เต็มที่แล้วก็ถอนออกมานี่คือการทำงานของการเจริญมรรคผลนิพพานต้องมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาสลับกันทำงานแล้วไม่ทำงานอย่างอื่นจะทำแค่งานสองชนิดนี้จะอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ เดวิเ เ, เ, เดินจมกรมนั่งสมาธิตอนเดินจนกงกรมก็พิจารณาไปถ้าเราชํานาญในสมาธิแล้วเข้าออกสมาธิได้ตามที่เราต้องการถ้ายัางไม่ชํานาญก็อย่าเพิ่งพิจารณาก็ได้ให้ควบคุมจิตไม่ไม่คิดอะไรให้ว่างอยู่เรื่อยๆให้สงบให้ให้ศักแต่ว่ารู้ เอาสติให้มีกำลังให้มากก่อนเพื่อเข้าสมาธิได้เข้าออกได้อย่างอย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วอยากจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้ทันทีทันใดเลยไม่ต้องมาเหมือนกับแบกหินเ ข, ข, ข็นคกขึ้นเขาพออยากจะเข้าก็กำหนดเพียงสองสามนาทีก็สงบแล้วเอามันให้ชำนาญสมาธิเอาให้มันแน่นปุ๊กเลยแล้วค่อยออกทางปัญญา ถ้ามีสมาธิแบบเป็นหินนี่เวลาออกทางปัญญามันจะไปได้รวดเร็วมันจะได้ผลเร็วเพราะเห็นอะไรเห็นนั้นเห็นตายรางตรงไหนมันก็จะปล่อยวางได้ทันทีมันจะละความอยากได้ทันทีมันจะไม่ทุกกับเรื่องอะไรพออะไรเรื่องอะไรจะเป็นทุกข์นี้มันจะรู้ทันทีใจจะกระเพือมขึ้นมามันก็จะหยุดได้ทันที ขั้นตอนก็นต้องพิจรารณาร่างกายก่อนเอาร่างกายให้มันปล่อยวางทุกในทุกรูปแบบปล่อยวางว่าเป็นตัวเราของเราให้เห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตายไปแล้วก็กลายเป็นธาตุสี่ไปกลายเป็นกี้เท่ากลายเป็นเศษกระดูกไปธรรมชาติเขาเล่นกลหลอกลราเราไม่รู้ เราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราควาจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นเป็นเป็นธาตุสี่เรารวมตัวกันแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นอาการสาสิบสองเป็นผมเป็นของเป็นเล็ดเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้ามหัวใจตับทั้งผือตายปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า เยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำสไลน์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนืหอน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำมันเหลวเี่ยร่างกายเรามันเป็นถุงที่ใส่ขยะใส่สิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยหลงกับภาพกับรูปของร่างกายท้าก็ทําให้เกิดการมาราคะ เกิดความอยากในการอยากจะเสกา่างกับรูปกับร่างกายถ้าเห็นว่าเป็นอาการ32มีสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ถูกขับถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆมันก็จะดับกามารุมได้เห็นว่าเป็นดินหน้า ม, มไฟก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าปล่อยร่างกายได้แล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องพิจารณาต่อไปเพราะม่นรู้จะพิจารณาไปหาอะไรมันไม่มีอะไรย้ยห้พิจารณานะเหมือนเรียนหนังสือจบแล้วก็ต้องเลิกก็หยับ ก, ก็ต้องขยับขึ้นชั้นชั้นสูงต่อไปชั้นต่อไปก็ชั้นชั้นของจิตปล่อยวางร่างกายแล้วก็ต้องไปพิจารณาจิต ว่ากิเลสยังไปยึดติดกับจิตอยู่ยังไปครอบครองจิตจิตยังไม่เป็นอิสระจิตยังถูกกิเลสครอบงำอยู่ด้วยมานะความหลงความอัดถืออัตตาตัวตนอยู่ก็ต้องเข้าไปพิจารณาจิตกิเลสที่ละเอียดมันอยู่ในจิตอวิชาก็อยู่ในจิตมานะก็อยู่ในจิตการละ รูปาราคาอรูปาราคาอุทัจจะก็อยู่ในจิตเข้าไปพิจารณาถ้ามันผ่านร่างกายไปแล้วมันก็จะเข้าไปเองเพราะมันไม่รู้จะพิจารณาอะไรแล้วร่างกายมันก็ไม่สนใจแล้วรูปเสียงกยลิ่นรสมันก็ไม่สนใจลาบยศสรรเสริมมันก็ไม่สนใจมันสนใจว่าทําไมจิตของเราละเอียดอย่างนี้ยังยังมีความเศร้าหมองอยู่ทําไมมันไม่สุขไปตลอดเวลา ทำไมมันยังมีสุขบ้างไม่สุขบ้างเอทำไมมันยังถือตัวตนอยู่อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นติเลตให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปหลงอพอรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยวางได้หมดเพอปล่อยวางได้ทีนี้มันก็ไม่มีอะไรเหลือในจิตแล้วถ้าจิตว่าง จิตว่านิพพานังปรามังสุญญ์ยังว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากอาสวะแต่จิตไม่ได้หายไปไหนจิตไม่ได้สูนคนไม่เข้าใจคิดว่านิพพานปาวานย์หมายความว่าจิตสูนไม่ใช่นิพพานแปลว่าสภาพของจิตที่สูนจากสิ่งต่างๆจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆแต่ตัวรู้นี่ยังอยู่ แต่เป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ตัวรู้ที่ฉลาดตัวรู้ที่ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้นี่คือขั้นของปัญญาเวลาเวลาปฏิบัติมันก็จะสลับกันพิจารณาปัญญาพอมันเริ่มเป็นอุทธจัจจะมันเริ่มฟุ้งก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิ มขีขั้นระดับของพระอริยยังมีอุทธัจจะเลยแต่มันไม่ใช่อุทธจัจจะแบบของคารวะของปุตุชนปุตุชนนี่อุทธัจจะเพราะเรื่องต่างๆเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้ฟุ้งขึ้นมาแต่เรื่องของอุทธัจจะ ข, ของขั้นวิปัสสนานี้มันเป็นอุทธัจจะเพราะว่าพิจารณาลอยเถิดมากจนเกินไป มันก็เลยฟุ้งขึ้นมามันกำลังของสมาธิมันอ่อนลงไปมันไม่พอที่จะสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาการเจริญปัญญาได้เพราะกิเลสที่ละเอียดมันยังมีอยู่มันจึงออกมาทำให้เกิดความฟุ้งซ่านได้เกิดอุทธัจจะขึ้นมาได้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิพักในสมาธิก่อนแล้วค่อยออกมา จเจริญวิปัสสนาใหม่ต่อไปทำอย่างเงี้ยการเจริญการปฏิบัติสมาธิกับปัญญานี้ต้องไปสลับกันเดินเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาต้องสลับกันเดินถ้าเราเดินทีเดินเท้าเดินเดินเท้าเดียวมันก็ต้องเขย่งไปกระโดดไปถ้ามีเท้าเดียวถ้ามีสองเท้าก็สลับกันเดิน เวลาเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก็ยันเอาไว้การทํา ง, งานของของสมาธิและปัญญาหรือสวรรถและวิปัสสนาภาวนาก็เป็นแบบนี้เป็นการสนับสนุนกันสมถะสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นผู้ฆ่ากิเลสในธรรมที่ทรงสแสดงไว้ว่า สมาธิที่ศีออลอบรมดีแล้วนี้มีอ น, นิสงส์มากมีมีผลมากปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วมีอ น, นิสงส์มากมีผลมากจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้ว <c oughs> จิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วก็ย่อมดุดพ้นโดยถ่ายเดียวนี่คือธรรมะที่เกี่ยวข้องกันที่สนับสนุนกัน ที่เราไม่สามารถที่จะเลือกทำเฉพาะส่วนนั้นส่วนนี้ได้เหมือนเรียนหนังสือเราจะไปเลือกเรียนชั้นนั้นชั้นนี้ไม่ได้เริ่มเรียนก็ต้องเข้าชั้นอนุบาลแล้วค่อยขยับขึ้นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาการปฏิบัติก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลชั้นศี่ชั้นชั้นทานก่อน ทำบุนให้ทานมีทรัพย์มากเกินไปก็เอาไปบ่อยแจกเอาไปแจกจ่ายเอาไปสงเคราะห์โลกช่วยเหลือผู้ที่เขามีน้อยแต่เราไม่ต้องการเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่การช่วยเหลือคนเป็นการปลดเบื้องกิเลส ข, ของเราที่อาจจะยึดติดอยู่กับสมบัติเข้าของเงินทองหรืออาจยังจะโลภอยู่กับอยากได้เงินทองอยู่อันนี้เราต้องตัดให้ได้ ต้องตัดความโลภอย่างได้เงินทองถ้าอยากจะได้ก็ให้เอาได้เท่าที่จำเป็นแต่ไม่ได้อยากจะได้มีมากกว่าความจำเป็นคือไม่เคยคิดอยากจะรวยเพียงแต่ต้องมีซัก บ, บ้างไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของเราและของคนที่เกี่ยวข้องกับเราแต่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อยากจะมีมากไปกว่านั้นถ้ามีมากไปกว่านั้นก็ไม่ยึดติด หรก็จะเก็บไว้ก็ไม่เป็นปัญหาหรือจะเอาไปทำประโยชน์ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมก็สำคัญขอให้ใจเราอย่าไปพะวงพอนกับเรื่องเงินทองใจเราจะได้มีเวลามารักษาศีลได้ถ้ายังโลภยังอยากได้เงินทองนี่จะรู้สึกรักษาศีลยากจะพูดจารนี้มันพูดความจริงไม่ค่อยได้กันสำหรับพวกที่เขาทำธุรกิจกัน เขามีเหลี่ยมมีเชิงกันแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่โลภอยากได้เงินแล้วก็ไม่ต้องมีเหลี่ยมกับใครพูดตรงไปตรงมาเพราะไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นขยะรักษาศีลได้ถ้ามีศีลก็จะทำให้สมาธิสงบได้ง่ายมีสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาได้ พิจารณาปัญญาได้มีปัญญาก็ตัดตัณหาได้ตัดการมติตัณหาภาวะวตัณหาวิภาวะตัณหาตัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้ถ้าทำตามที่พูทเจ้าสอนนี้ไม่นานไปพุชพาชพุชพาชไปเลยมันจะมันจะก้าวไปเรื่อยๆมันจะไม่มีปัญหาเลย ปัญหาคือบางทีเราสรับสนเราทํางานขั้นนี้แล้วเราเดี๋ยวก็สับสนกลับไปทํางาน อ, อีกขั้นหนึ่งเรียนอยู่ชั้นมัธยมแล้วกลับมาเรียนอยู่กลับมาเรียนชั้นประถมใหม่พวกนักภาวนาไม่ควรที่จะไปสนใจเรื่องงานฐานเรื่องเรื่องการทํางานภายนอกควรจะปลดที่เวกทางานภายใน อย่งที่หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตอยู่ข้างในก็เป็นมรจิตออกข้างนอกก็เป็นสมุทยัยถ้าจิตออกไปทํางานข้างนอกเช่นไปช่วยก่อสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างอะไรต่างๆอันนี้มันถึงแม้ว่าจะเป็นบุญแต่มันเป็นบุญระดับที่ต่ากว่าภาวนาบุญระดับนี้เหมาะกับคนที่ยังไม่เคยทําบุญนะ คนที่ชอบใช้เงินไปกับการซื้อสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ให้เขาเอาเงินนี้มาทำบุญเสียจะดีกว่ามาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสรางอะไรต่างๆแต่คนที่ภาวนาได้แล้วปีกวิเวทได้แล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตามลำพังได้แล้วก็ไม่ควรที่จะ ออกไปทำงานแบบนั้นควรจะพุ่งเป้าไปที่งานภาวนาเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจไม่ต้องไปสนใจงานอย่างอี้ชาวบ้านเขาจะว่าอย่างไรก็ปล่อยเขาว่าไปเพราะว่าเวลาเรา หลุดหรือไม่หลุดนี่ไม่ได้อยู่ที่คำพูดของชาวบ้านอยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติปรงปฏิบัติชอบหรือไม่ปฏิบัติดีหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำนินทาสรรเสริญของชาวบ้านของผู้ดใครเขาจะพูดใครเขาจะด่ายอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรามีความแน่วแ น, วแน่มั่นคงต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราจะรู้ว่าเราไม่ผิดคนอื่นจะว่าเราผิดก็ปล่อยเขาว่าไปแต่เราไม่ผิดเราทำตามที่พระเจ้าทรงสอนปัญหาคือเราไม่รู้ว่าพระพุทเจ้าทรงสอนอะไรเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีมากแล้วเราก็บางทีก็ไม่ได้ได้ยินได้ฟังคำสอนที่ที่จะให้เรา ไม่กังวลกับคำข้อหานินทาของของผู้หรือคำชักชวนชักชวนของผู้อื่นนั้นการที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นสอนเรื่องการภาวนาท่านจะหวงลูกศิษย์ ไม่ให้รับศิษไปทำงานอย่างองื่นอย่างหลวตา น, นี่ห่วงพระมากไม่ให้ไปทำงานอย่างองื่นไม่ให้รับกิษนิมนต์ต่างๆไม่ให้ก่อสร้างในวัดถ้าสร้างก็ทาเป็นจริงๆก็สร้างกันช่วยกันสร้าง ป, ปุบ๊บปั๊บไปในเดือนสองเดือนก็ให้แล้วก็มีเวลาไม่ใช่ทำแบบหามลูกหามข้าพอถึงเงย็นท่านก็เรียกให้หยุด เพื่อจะได้ไปภาวนาต่อได้แล้วถ้าถ้าทางวัดมีฐานะดีพอท่านก็ไม่ใช้วัดทางานเช่นช่วงที่สร้างกำแพงรอบวัดอันนั้นก็มีศรัทธามาสนับสนุนท่านก็เลยไม่ต้องใช้วัดพระเน้นมาช่วยกันทำท่านจ้างชาวบ้านแล้วก็ท่านก็ดินไปดูเอง ตอนเช้าฉันเสร็จ ท, ท่านก็เดินไปดูตอนบ่ายท่านก็เดินไปดูตอนเย็นก่อนจะเลิกงานท่านก็เดินไปดูไม่ให้เาเลยเถิดไม่ให้เขาทำเกินเวลาเพราะมันจะเป็นรบกวนเสียงได้เสียงรบกวนได้ถ้าไม่ทําเลยงานศพงานอะไรของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านเองในวัดก็ไม่ได้มีโอกาสได้ออกไป แม้ต่ศพของพระจาย์สิงห์ทองนี่ก็ก็มีแต่ให้พระอาจารย์พระเถระไปไปดูสองสามรูป แ, แต่พระนี่ในว่าท่านไม่ให้ออกไปข้างนอกให้ภาวนานอย่างเดียวให้ปิดวิเวกให้เดินโยมกบนั่งสมาธิตรงไห น, นอุตาหานี้ท่านจะเชียร์เต็มที่เลยมีขนมช็อกโกแลตท่านก็จะส่งไปให้ นึ่คือคือครูบาอาจารย์ที่เห็นคุณค่าของการภาวนาท่านจะไม่เน้นเรื่องงานอย่างอื่นจะให้ภาวนาอย่างเดียวของภายนอกมันเป็นสมบัติชั่วคราวจะสร้างให้มันวิเศษขนาดไหนมันก็เป็นของชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้เป็นของที่จะมาดับกิเลสภายในใจของเรา ไม่ใช่มรดกนิ่านของไว้สำหรับเป็นที่อาศัยหลบแดดหลบฝนหรือเป็นเป็นเป็นอนุสรณ์สถานเป็นที่ให้อนุชนผู้ที่มาทีหลังจะได้รู้จักว่าเป็นความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนถ้าเห็นพระธาตุเจดีย์ก็จะได้พบกับ ศาสตรหัวใจของพระศาสนาก็คือได้เจอกับอัติของพระพุทธเจ้าหรืออัติของพระอาหารหันต์เท่าไหรยเขาก็จะได้ศึกษาว่าทําไมอัติของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์จึงเป็นธาตุไปได้ก็จะทําให้เขาได้ปัญญาได้ความรู้ได้รู้จักวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ได้เป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือเจตนาของการสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาเป็นเหมือนเป็นแหล่งเป็นป้ายบอกทางให้ผู้ที่มาที่หลังถ้าไม่มีใครไทยสอนเลยอย่างน้อยพอมาเห็นเจดีย์ก็จะได้เกิดความความคิดขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความอยากรู้ขึ้นมาว่าเจดีย์นี้สร้างไว้ทําไม ทำไว้เพื่ออะไรมันขอให้เราดูตัวเราว่าตอนนี้เรากำลังทำงานท่านไหนอยู่แต่ละคนก็ต้องทำงานของที่เหมาะกับตนเองเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันสมัยที่เราอยู่วัดป่าบ่านตากก็พระเนรองค์ท่านก็ปล่อยให้ทำงาน มององค์ท่านก็ไม่ให้ทำท่านดูว่าแต่ละองค์จะเหมาะกับงานชนิดไหนถ้าองค์นี้ภาวนาชอบภาวนาท่านก็จะไม่ให้มาทางานก่อสร้างแต่ถ้าองค์นี้ภาวนาไม่เป็นท่านก็ปล่อยให้ทางานก่อสร้างทางานภายนอกไปก่อนอย่างน้อยก็จะได้มีความเพียรไม่ขี้เกียจไม่กินแ้วนอน ดั่แต่ละคนนี้ท่านจะพระแต่ละองค์นี้ท่านจะปฏิบัติต่อต่อเขาไม่เหมือนกันท่านดูความสามารถของของแต่ละองค์ว่ามีความสามารถมากน้อยถึงไรพวกเราก็ต้องดูตัวเราว่าเรามีความสามารถในการปฏิบัติทำขั้นไหนเราก็ต้องทำขั้นนั้นไปแล้วก็พยายามพัฒนาขึ้นไปตามมันไ ถ้าเรายังชอบทําบุญให้ทานยังชอบไปงานบุญต่างๆเราก็ต้องพัฒนาขึ้นสู่การรักษาศีลแล้วการทําบุญก็ทําเพื่อไม่ได้ให้เกิดความโลภอยากได้ต้องการตัดความโลภอยากได้ไม่อยากร่ารวยไม่อยากจะมีเงินทองมากอยากจะมีความเป็นอิสระจากการผูกติดอยู่กับเงินทอง อยากจะอยู่แบบไม่ยิตกกับเรื่องเงินเรื่องทองก็ต้องอยู่แบบสมถะเรียบง่ายใช้เงินน้อยคนที่ไม่ไม่โลภอยากได้เงินก็ต้องรู้จักใช้เงินคือใช้เท่าที่จำเป็นถ้ายังมีความโลภอยากใช้เงินในสิ่งคุ้มเคยต่างๆยังอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอย่างนั้นก็จะทำบุญยาก ทำบุญก็ทําผิดทําบุญเพื่ออยากจะได้ให้รวยขึ้นทําบุญนี้เพื่อทําให้ใจเราเป็นอิสระจากการที่จะต้องไปเป็นทาสของเงินอยากได้เงินอยากมีเงินใช้ก็ขอให้ทําไปนะปฏิบัติไป